ถ้าเราไม่เข้าใจว่า เ, เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้นั่นคืออะไรถ้าเราตอบตัวเราไม่ได้เนี่ยเราจะเกิดมาแบบงมงาย <c oughs> ใช้ชีวิตบันวันหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรดังที่ท่านอาจารย์พุจธทาสท่านเคยเล่านิทานสามสิบวินาทีเอาไว้สั้นๆพยินท่านมาเล่าต่อหม่ท่านบอกว่า มีชายคนหนึง่งควบ ม, มาไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ก็มีคนถามว่าจะไปไหนกันชายนั้นก็ตอบว่ากูไม่รู้บ่แล้วแต่ม้ามันจะพาไปบยอันนั้นไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางปล่อยให้ม้าพาไปม้ามันก็พาไปสิ่งที่ม้าชอบไม่ยัง ก, กับอะไรคนตาบอด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 ความท้นทุกตรงไหมตร ง, ตรงอะไรที่คิดไหมไหมความท้นทุกไอเรื่องความสุขนั้นก็ถูกอยู่แต่มันต้องพ้นทุกข์ซะก่อนมันถึงจะมีความสุขจุดหมายปลายทางของจิตใจคือความพ้นทุกขในภาษาธรรมะเรื่อว่านิพพานซึ่งเราสามารถทําได้ก่อนเลยร่างกายนี่ต้องรอจนกระทั่งเขาต้องแตกสลายไป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 ทำไมชีวิตเราจึงไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราสแสวงหาความสุขบางทีมันยังไม่ค่อยถูกต้องสแสวงหาความสุขในสภาพทิตใจยังเป็นทุกข์อยู่ยสแสวงหาความสุขสภาพทิตใจยังมีทุกข์อยู่คือหาความสุขมากลบเปลี่ยนความทุกข์ในใจเรามันก็สุขสุขทุ ก, ท, กทุกอยู่เงี้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกสุขเพราะได้ดูได้ฟังแต่ทุกข์เพราะใจเราเนี่ย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 แต่ว่าคนใส่ในโอ้ข้างในมันคันเหลือเกินเป็นเพราะว่าจิตใจเรายังไม่สงบยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ไปแก้ความทุกข์โดยการไปกรบเกลือ่อนไปหาความสุขนะบางครสุขได้ไม่เต็มร้อยม่นยังกับเราคันแล้วเราก็เกาเราไม่เคยรักษาโรคคันเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเกาการจะสวยหาความสุขก็เช่นเดียวกันเราลองดับทุกข์ในใจเราให้ได้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 จิตไม่มีกิเลสกิเลสนี่ไม่ได้มีทั้งวันทั้งคืนนะมันมีเป็นบางครั้งบางคราวบางช่วงจิตแล้วก็สบายสบายอยู่อัน น, นเพราะกิเลสมันไม่ปลุงกใช่ไหมมันก็ไปสุขอยู่ขนาดหนึ่ง <S <S แต่พอเราเผลอสติปล่อยให้กิเลสปลุงในจิตใจอันนี้แหละมันก็ไม่ไม่มีความสุขแล้วเริ่มดิ้นรนกระวนกวายในจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นสาเหตุสําคัญ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 เราไม่ต้องทำอะไรมากรักษาความสงบไม่พูดไม่คุยห้องนี้ก็สงบเราไม่ทำสิ่งสปกปรกไม่ทิ้งของลงกับพื้นห้องนี้ก็สะอาดใจเราก็เช่นเดียวกันมีสติรักษาความสงบเขาไว้ง่ายๆเนี่ยรักษาใจเป็นปกติไว้อันนี้จิตจะมีความสุขจะสบายเลยเพราะนั้น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 มันต้องมีสติก่อนที่จะสมาที่จะเกิดในสติมีความสงบอยู่นั้นแล้วในสติมีปัญญามีความสุขเราจะเห็นว่าวิธีการปฏิบัติที่สำคัญสาคัญนั้นก็ต้องลงท้ายด้วยสติทั้งนั้นกายขะตาสติสติตามรู้ในกายอนุสติสิปเนี่ยเราลึกถึงสติอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ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 แล้ก็ต้องปล่อยวางต่างกันนะยึดติดไม่ได้อาศัยแค่ฝึกปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจแต่พอถึงที่สุดแล้วต้องวางผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดติดในวิธีการปฏิบัติและก็ครูบาอาจารย์ด้วยไม่เหมือน ก, กับเราพายเรือข้ามฟากไปแล้วพอขึ้นฝั่งแล้วเราจะแบกเรือขึ้นไปด้วยไม่ได้เอาเรือไว้ในแม่นม้ำปล่อยตัวเปล่าการปฏิบัติวิธีใดก็เหมือนกันผนซ้ายต้องปล่อยวาง อาศัยแค่เอามาฝึกเท่านั้นอย่างวันนี้ก็อยากจะนำเอาวิธีการจริ้สติวิธีหนึ่งซึ่งตามแนวหลวงพ่อพเทียนท่านได้สร้างวิธีการปฏิบัติจริ้สติขึ้นมาเป็นการจริ้สติแบบเคลื่อนไหวใครเคยปฏิบัติแนวหลวงพ่อพเทียนบ้างยกมือด้วยครับโอ้หลายคนแล้วใครที่เคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติ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 วิธีรัดกขามาหาเลยแล้วก็ทําได้ทั้งวันเพราะชีวิตเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ทั้งวันเวลาหลับก็เคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแม้เวลาหลับอย่างน้อยลมหายใจเห็น ไ, ไหมหายใจเคลื่อนไหวความคิดก็เคลื่อนไหวแต่เวลาหลับเราไม่ต้องทำํำเราไม่ต้องทําทําเฉพาะเวลาที่เรารู้ตัวเวลาตื่นรู้แล้วการเคลื่อนไหวนี่มีตลอดเวลาสามารถที่จะเติมสติดได้ดูจิตได้ทั้งวัน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 ไม่ต้องตั้งท่าอะไรมากมายขอแค่เพียงแค่รู้สึกตัวไม่ต้องหลับตาเอามือขวาไปข้างเดียวก่อนนะลองพลิกมือขวา ช, าชา้าๆตั้งขึ้นช้าๆนะคว่มมือขวาลง ช, าชา้าๆให้รู้สึกตัวพลิกมือขวาในท่าตะแคง ช, าชา้าๆทำ ช, าชา้าๆคว่มมือขวาลง ช, าชา้าๆเอาลองทำเรื่อยๆสิ ทำ ช, ชา้าๆสบายๆอย่ากเกรงให้ผ่อนคลายมีสติรู้ลงไปที่มือกาลังเคลื่อนรู้ที่ความรู้สึกมันตึงๆไหวๆเกง็งๆอยู่ที่มือนี่ยทำ ช, าชา้าๆความมือ ช, าชา้าๆแล้วก็หงายมือ ช, าชา้าๆเจตนาเคลื่อนไวหวสักหน่อย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 ให้รู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาเครื่องตัวให้รู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาเครื่องตัวรู้สึกเวลามือมันเคลื่อนเอามือซ้ายท่าไว้ที่มือขวา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 ลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่มมือซ้ายลงอะลองทำดูซิลองทำเลยทำเลยถ้ายเป็นจังหวะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดทำปิดไม่เป็นไรนะทำปิดเริ่มต้นใหม่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 ให้มีปัจจุบันที่มือกาลังเคลื่อนไหวสังเกตรู้ในอาการตึงๆไหวๆ ไ, ไม่มีความหมายว่าเป็นมือชาหรือเร็วก็ไม่มีความหมายสังวันที่รู้ตัวว่ามันกำลังตึงกำลังเคลื่อนกำลังไหวสบายๆรู้แบบสดชื่นมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไร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 ทุกอย่างปล่อยตามธรรมชาติเลยเราคอยแต่รู้เอาไว้เฉยๆเท่านั้นเราเก็บคะแนนแล้วเก็บคะแนนความรู้ตัวไปแล้วเห็น ไ, ไหมมันสบายมากแล้วยิ่งเราปฏิบัติอย่างเงี้ยเราทําได้ทั้งวันเลยเราทํางานอะไรแล้วก็รู้ตัวได้สติแล้ะขับรถก็ปฏิบัติได้จะอาบน้ําแปลงฟันหวีผมแต่เรื่องตัวทานข้าวเนี่ยเติมสติได้เลยปฏิบัติทําได้ทั้งวันเลย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 ให้ชำนาญให้สติมันเข้มแข็งตั้งแ่แแล้วเดี๋ยวความคิดก็จะผ่านไหมเราดูเองอย่าเพิ่งเน้นเอาความสงบอย่างเดียวพอเป็นแบบทมปั๊บเลยนึกภาพต้องสงบต้องนิ่งอันนั้นเป็นความคิดเองเราฝึกสติไปเรื่อยๆที่จะพบกับความสงบที่แท้จริงสงบแบบรู้ตัวไม่สงบแบบนิ่งเงียบเป็นหินทับหญ้าสงบแบบรู้ตัวอันนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะ เวลาเล็กเวลาน้อยเนี่ยจะมีประโยชน์มากแล้วนานวันเข้าเนี่ยสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นก่อนเราจะตายเห็นไหมสติเราจะเก็บเกี่ยวได้มากน้อยขนาดไหนทีนี้เวลาเราปฏิบัติขณะนี้นะยกมือสั้นย่ังกะเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมก็เหมือนกันเดินจงกรมก็เพียงแต่ว่าเราย้ายจากการรู้ตัวที่มือเคลื่อนไหวมารู้ที่เท้ากระทบพื้นนี่ง่ายยังไเดินจงกรมเนี่ ย, เ, ยเท้ากระทบพื้น กระทบพื้นรู้สึกถ้ากระทบพื้นรู้สึกและมันชัดเจนมากคนที่เวลาปฏิบัติแล้วมันเกิดความง่วงก็อย่าไปเสียใจนะอ๋อง่วงไมเรื่ธรรมดามีสติรู้ว่ามันง่วงแล้วก็ทํามันเร็วๆสักหน่อยบางทียกมือสูงยงสูงมันแก้ง่วงได้ยกเร็วๆเดินจงกรมเดินเร็วๆการปฏิบัติธรรมต้องมีปัจจุบันอยู่ที่ตัวเรา อันนี้สําคัญมากปัจจุบันด้วยความรู้ตัวลืมเรื่องที่บ้านลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมอดีตลืมอนาคตมาอยู่กับปัจจุบันเอาไว้เท้ากระทบพื้นให้รู้สึกจบเลยแค่นี้กระทบพื้นรู้สึกจบถ้ากระทบพื้นรู้สึกจบไปในตอนๆเก็บเกี่ยวความรู้สึ ก, สกอย่างนี้ยบ่อยๆเข้าจะทําอะไรก็มีความรู้ตัวอยู่กับตัวเรา อันนี้ความคิดจะเข้าปรุงแต่งไม่ได้แม้ความคิดเข้ามาเราก็จะรู้ทันวันนี้มันคิดแล้วรู้ทันในความคิดเคล็ดลับกานปฏิบัติก็คือให้อยู่กับตัวเราเองให้ได้เป็นแบบฝึกที่ยากมากเลยเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่กับตัวเองชอบเผลอไปรู้ติทข้างนอกอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยไม่แม้อาจจะยากซะหน่อยทำต่อไปมันก็จะเกิดความเคยชินต้องฝึกนะ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 เราได้ฝึกสติแล้นอนพลิกมือเล่นกันนอนพลิกมือเล่นมีใครนอนไม่หลับไหมไม่เป็นไรนะวิธีการนอนไม่หลับเนี่ยมีหลายอย่างมาเทียมมือวางไว้ตรงเนี้เนี่ยหลับตาก็ได้ไม่หลับก็ได้เคาะเคาะแล้วก็รู้สึกที่มือกําลังกระทบเนี่ยรู้เบาๆสบายๆเดี๋ยวมันก็หลับเองเคาะเนี่ยนอนก็หลับสบายเลยหรือนอนเอามือเคาะข้างตัวก็นแหะเจตนารู้ที่มือกำลังกระทบ เบาเบาเดี๋ยวมันก็เพลินหลับหรือเอานิ้วถูกันนิ้วจี้นิ้วหัวมือถูกันเบาเ่ารู้ตัวอยู่ที่มือเนี่ยอันนี้จิตมันจะเป็นปกติมันจะไม่คิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านแต่ถ้าจะใช้ความคิดนะก็คิดดีคิดเป็นกุศลคนที่คิดอะไรด้วยสติเนี่ยจะเป็นกุศลจะคิดไปทางที่ดีๆในทางเกื้อกูล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 บางทีมันปัญหามันแก้ได้ไปหมดนะปัญหาบางอย่างนี่มันแก้ไม่ได้แต่ว่าใจเนี่ยแก้ไม่ให้เป็นปัญหานี่แก้ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเน้นแก้ปัญหาที่ใจเราอุปมาเมื่ออย่างมือที่เป็นแผลเนี่ยไปจับอะไรเนี่ยเชื้อโรค ก, ก็เข้าสู่แผลที่มือเราแต่ถ้ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยไปจับเจะจะไม่มีเชื้อโรคเข้าใจเราที่ขาดสติขาดความเป็นปกติไปพูดคุยกับใครมันก็ไม่ปกติ เมื่อใจเราเกิดความโกรธคุณเครือในจิตใจพูดอะไรไปเลยก็ไม่มีเหตุผลคนที่มีความโกรธมีความฟุ้งซ่านในจิตใจเนี่ยแก้ปัญหาไม่ดีแล้วความโกรธทําให้ขาดเหตุผลจิตใจมันมันมวมันขุนมันมืดใจเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันยังคุณยังไม่ใสอย่าเพิ่งทําอะไรนิ่งไปก่อนรู้ตัวไปก่อนอ๋อนี่มันคุณเลยนะอย่าเพิ่งทําอะไรนะ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 บางคนดูโลกบางคนจัดโลกบางคนหนีโลกดูโลกไม่เหนื่อยจัดโลกนี่เหนื่อยแต่ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่ว่ายังเหนื่อยอยู่หนีโลกนี่มันก็ยังเหนื่อยนะไม่กล้ารับความการปฏิบัติธรรมเนการแก้ที่ใจตัวเราเองวเวลาเราเจอปัญหาขณะปฏิบัติเนี่ยอย่าเพิ่งไปแก้ที่ปัญหาแก้ใจที่เป็นปัญหาก่อนรักษาแผลที่ใจซะ ก, ก่อนเชื้อโลกจะได้ไม่เข้า นี all, face, sins, ่แหะทุกวันนี้ขอให้เราอยู่แบบไม่สร้างปัญหาด้วยกันไม่สร้างเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์คืออะไรคือความคิดปรุงแต่งที่เราไม่เชื่อเชิญมาแล้วเราก็ไปเชื่ออันนั้นคือเหตุของความทุกข์ให้มีสติรู้ไอ้ทันไวรู้ทันเหตุของความทุกข์คือความคิดต่างๆแล้วก็ปล่อยวางไปถ้าจะคิดจะทําทำในตัวของเราเองคิดด้วยตัวของเราเอง ไม่ต้องมีอะไรมากดดันอันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติผมเองทุกวันเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบนี้แบบรู้ตัวอย่างเงี้ยรู้ตัวสบายๆกับชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ก่อนมีความทุกข์ความเครียดมากหาทางออกไม่ได้พอมาเปลี่ยนชีวิตใหม่ใช้ธรรมโอโสถเยียวยาบำบัดทางจิตโดยการฝึกสติอยู่เสมอๆจิตมันก็อยู่ได้ในความไม่สะดวกของร่างกาย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 เพรา ะ, ะนั้นข้ออ้างจะไม่มีคนพิการมาแล้ว อ, อย่างอื่นอ้างไม่ได้นะพิการยังปฏิบัติได้เราปกตินี้ไม่เหลือวิสัยขอที่แยงว่าเราขยันขยันที่จะสร้างสติแล้วก็อดทนกับอุปสรรคนั้นหน่อยอดทนตั้งหน่อยไอที่ปฏิบัติไม่นานเพราะไม่ได้ทน <c oughs> อดทนกับอุปสรรคฝ่าฟันตั้หน่อยพอเราผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ใหม่ๆผมเองนี่อาศัยการดัดแปลงชีวิต ไปออบการปฏิบัติธรรมดัดแปลงให้มันเหมาะกับเหตุการณ์ใหม่ๆนี่ทำนี่ช้าไม่ถนัดนะยกมือนี่โหมาก่อนยกมือไม่ได้นะพลิกมืออย่างเงี้ยต่อมาพลิกไ้มายกได้ยกสิสีจังหวะทำได้เหมือนเขาเหมือนกันพยายามดัดแปลงทำช้าๆมันหุดหงิดไม่ได้ยังใจต่อมาไอ้ช้าๆมันก็ดีนะมันเติมตติได้ง่ายต้องรู้จักดัดแปลงต้องแก้ไขตัวเองครูบาอาจารย์เนี่ย